ต้นฟังที่เคารพคะ่ะผ่านไปสำหรับช่วงเวลาปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะที่พระมาชาคาวโรท่านก็ได้นำออกพระสูตรมาอ่านให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานสัปดาห์นี้เรียกว่าเข้าใจนิพพานแล้วที่เหลือก็คือเป็นเรื่องที่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่านิพพานมีคุณค่าก็พยายามกันนะคะ ส่วนในช่วงเวลาถัดไปจะเป็นการที่ท่านได้มาสั่งสมสุตตะจากการที่ฟังการสนทนาธรรมในลักษณะการถามและตอบโดยท่านภับูรณอภิปุนโนจากวัตารดอนหายโศอุดรธานีท่านก็จะนําเอาพุทธวจนะมาตอบเราจึงเรียกช่วงเนี้ว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะวันนี้มีแขกพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปพบกับพระอาจารย์ภัยบูรณก่อนค่ะน้มัสมั่นกกค่ะท่ะานคะญาจริญพรค่ะก็จะขอ ใช้เวลานี้นิดนึงในการประชาทสัมพันธ์คือพูดถึงรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดเนี่ยในช่วงของสัสนิสนทนาใช่ไหมซึ่งก็ได้เคยบอกว่าเราก็มีรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดพากออนไลน์ด้วยนะซึ่งเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นมาในบางอย่างที่เราต้องเจาะรายละเอียดกซึ่งขึ้นไปก็วันนี้ได้เชิญผู้ที่ดำเนินรายการร่วมกันมาด้วยเป็นเป็นคุณหมอนะชื่อว่าหมอนัทพงศ์ก็มาพบกับหมอและทวงกนกวิรุณได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอณัฐพงศ์คะครับสวัสดีครับกราบน้ำสกัดพระอาจารย์ไพรบูรณ์ครับแล้วก็พี่สรรสณีที่เคารพครับก็ได้รับเกียรติเข้ามาร่วมสายด้วยนะว่าดีใจดีใจจังเลยเพราะว่าสื่อทางวิทยุก็เป็นสื่อที่กว้างขวางแล้วก็จริงๆตัวเองก็เป็นแฟนของรายการนี้อยู่ด้วยนะครับได้ก็ฟังอยู่ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะครับเชื่อว่าท่านตอนที่อยู่ทางบ้านเนี่ย คงจะต้องการรู้จักคุณหมอมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเลยอยากจะครับทำความรู้จักกับคุณหมอว่าคุณหมอนั้นเป็นเป็นหมอด้านไหนด้านไหนแล้วก็ทำงานที่ไหนอย่างไรครับก็เป็นทันตแพทย์นะครับชื่อทันตแพทย์นัทพงศ์กหนกวิรุณ น, นะครับก็เป็น ได้ศึกษาทางพุทธวจนะมาตั้งแต่ปี2548นะครับกับพระอาจารย์คึกฤิ์โสติพโลที่วัดนาป่พงค์คือมีมีโอกาสที่จะไดอ้อุปสมบทที่วัดนาป่าพงค์แล้วก็ได้ศึกษาต่อเนื่องเรื่อยมานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้รู้จักครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นอย่างพระอาจารย์ไผ่บูรก็เป็นท่านอาจารย์ที่ผมนับถือศรัทธาอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็ ขณะนี้ก็มีการได้มีการศึกษาเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมไปกับชีวิตทางโลกก็ปร ะ, ประกอบอาชีพอยู่เป็นทันตแพทย์นะครับก็มีคลินิกส่วนตัวแล้วก็ทำงานนะครับแล้วก็มีครอบครัวนะครับก็ในมุมมองเห็นว่าปัจจุบันก็สามารถที่จะ อยู่ในทางโลกแล้วก็อยู่ในทางธรรมสามารถสอดคล้องไปด้วยกันในชีวิตได้ะนะครับเขาถามคําถามคุณหมอคําถามเดียวค่ะินดีว่าฟังเสียงคุณหมอได้ที่ฉันเชื่อว่าท่านฝังก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าเอ๊เสียงคุณหมอเนี่ยังเนคุณหมอหนุ่มมากนะแล้วก็ทํางานทางด้านเป็นในแพทย์แพทย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าธรรมะมีความสําคัญอย่างไรหรือถึงได้ศรัทธาขนาดที่ว่า หันเข้ามาหาในลักษณะที่เป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่คือช่วยท่านไปบูรณาทำรายการด้วยนะครับคือในในประเด็นหลักๆ ก, ก็คื อ, อ, อตัวเองมีความตั้งใจนะครับคือพอเราได้ศึกษานะครับศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของพุทธวจนะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเป็นขุมทรัพย์เราได้เจอขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นภูมิธรรมที่เรียกว่า สุดยอดใช้คํานี้สุดยอดในโลกนี้นะครับพอเราได้ได้ศึกษาและปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าเอ๊่น่าจะมีคนอื่นๆ น, น่าจะได้โอกาสอย่างเราบ้างที่จะมาศึกษาแล้วก็ค้นพบนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติซึ่งสามารถสอดคล้องกับชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมคือใช้ได้กับทุททกๆ ก, ก, กิจกรรมที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออต้องการที่จะเผยแพร่เผยแพร่ช่วยนะครับ แล้วโอกาสก็มาตามที่จิตตั้งอธิษฐานไว้คือพระอาจารย์ไพบูลก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาร่วมร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าจากที่มีคําพระบอกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอันนี้ก็ถือว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้ได้ได้ไดทำในสิ่งตรงนี้ซึ่งกราบกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับที่ให้โอกาส ตรงนี้ค่ะตรงนี้ต้องขอเสริมนิดนึงคุณสันสณีว่าค่ะอย่างการจัดรายการธรรมะอย่างนี้นะโดยลักษณะของภาคออนไลน์ก็ตามเนี่ยเป็นรายการที่ต้องใช้คอมมิชเมนต์คือความตั้งใจมากเพราะว่าเป็นลักษณะอาสาสมัครเราก็ไม่ได้มีมีสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วประการที่สองก็คือว่าอาตมาว่าเป็นความน่าอัศจรรย์มากที่ในขณะที่โลกเนี่ยเต็มไปด้วยกระแสแห่งตันหาทุกคนมี สิ่งต้องการอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าธรรมะเป็นเรื่องทวนกระแสเนี่ยเราทํารายการเนี่ยยังมีคนฟังอยู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนเนี้รู้หรือเปล่าว่าที่เรามาจัดรายการธรรมะได้มันอัศจรรย์จริงๆนะค่ ะ, ะนะค ะ, ค, ะคุณหมอจัดรายการกับท่านเพบูบุญอย่างไรนะครับเพื่อที่จะบอกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้คอยติดตามด้วยค่ก็จัดทางเป็นทางออนไลน์คือทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเรียกว่าพอร์ต คสต์เป็นลักษณะของ팟แคสต์ก็จะมีการอัปเดตทุกๆทุกๆสัปดาห์วันระหัสใช่เจ็ดโมงเช้าแต่เปิดไปชมได้ทุกวันถูกไหมคะครับเปิดได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่คือต้องบอกว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นข้อดีของอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่สามารถอออนไลน์เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็คลิกเข้าเข้าเว็บไซต์เวแล้วก็ไปที่팟แคส ทีมีพระอาจารย์ไปบูรณ์นะครับมีรูปท่านมีมีอ่าสื่อตรงของท่านตรงนี้แล้วก็คลิกไปก็สามารถเปิดฟังได้ในทุกทุกวันทุกเวลาครับนะคะแหมดิฉันก็ได้ยินว่าคุณหมอจดัดรายการมานานแล้ววันนี้ต้องบอกโชคดีจริงจริงเลยที่ได้มีโอกาสที่จะสอบถามด้วยตนเองขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะครับก็ขอบคุณพี่สันต์ศรีด้วยเช่นกันครับค่ะมาถึงเรื่องคําถามนะครับท่านไพบูรณ์คะค่ะ วันนี้เนี่ยดิฉันตั้งใจจะกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาอือเพราะว่าดิฉันไปอ่านในอริยศาสตร์จากพระโอษฐ์และยังติดใจแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านมากะค่ะอือปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเหมือนหรือต่างจากปัญญาในความเข้าใจของคนที่ไม่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนานอย่างไรไหมคะ อ, อปัญญาที่พระเจ้าได้ บอกสอนถึงเนี่ยมีหลายนัยยะมากแต่รวมๆแล้วก็คือปัญญาในการที่จะชแระกิเลสในการที่จะขจัดทุกข์ตรงนี้ก็คือปัญญาที่หมายถึงซึ่งลักษณ ะ, ะของปัญญาตรงนี้ก็คือการเห็นการเกิดดับปัญญาที่จะชแระกิเลสใช่ อ, อันนี้ก็คือนัยยะที่หนึ่ง ะ, ะยังมีปัญญาที่ในลักษณะที่ว่าเป็นไปในแนวทางนี้เหมือนกัน นี่คือสุดยอดเลยนะที่ว่าชําแรกกิเลสแล้วก็เหตแค่เห็นการเกิดดับทีนี้ยังมีปัญญาอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าจะอธิบายขั้นตอนในการทําอย่างไรให้มีปัญญาเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่สขั้นตอนนะอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องคบกับคนดีก่อนนะคบหาสัพประรุษนะแล้วจากนั้นเนี่ยไปทําอะไรครบแล้วทำไมก็ไปฟังเขาเชื่ว่าเขาูจะพูดอะไรนะฟังทำทําฟังสิ่งที่เขาพูดนะอันดับที่3เนี่ย ก็เอาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมาใคร่ครวนพิจารณาก็คือการโยนิโสมมนสิการแล้วอันดับที่4ทํทำยังไงก็ไ อ, อที่เราใคร่ครวนพิจารณาแล้วเนี่ยนะหาจุดสมดุลแล้วเนี่ยเอามาทำซะมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้น4ขั้นตอนตรงเนี้ยจะเป็นอ่าเป็นการทำให้เรามีปัญญาเกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาดูนะเอามาใช้กับธรรมะได้ไหมอ่ะไปหาพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคเราได้เ่าหนึ่งที่เรามีความเลื่อมใสศรัทธาอ่ะฟังซิอันดับที่สองคือฟังซิว่าท่านจะพูดอะไรท่านกล่าวทำอะไรนะฟังเสร็จแล้วอันดับที่สามเอามาใคร้ครวนนะแล้วก็อันดับที่สี่ปฏิบัติอันนี้ก็จะทําให้เรามีปัญญาในเรื่องที่จะพ้นทุกได้นะนี่คือสุดยอดของการแก้ทุกข์ละแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความตายถ้าเราต้องการปัญญาเอา ปัญญาในทางเรียนหมออย่างเงี้ยเดี๋ยวสมมุติเราต้องการมีความรู้เรื่องมีปัญญาในทางเรื่องการแพทย์อย่างเงี้ยเราเข้าไปหาคนเกี่ยวกับคนที่เป็นหมอแล้วฟังซิเขาจะพูดอะไรแล้วเขาพูดอะไรสอนอะไรอันดับที่3ามเอามาทรงจําไว้มาใคร่ครวนโยนิสโสมนานสิกะแล้วเอาไปทําเราก็จะมีปัญญาแบบนั้นได้<ะ>ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูในหมวดธรรมตรงนี้เนี่ยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเนี่ยจะพบว่า นี่มันมันสามารถเอาไปแอพพลายเอาไปใช้ ก, กันกับเรื่องอื่นๆได้หมดเลยเะะนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีนะคะสําหรับคนที่จะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอีกแล้วมีผู้ท้วงจนะที่พูดในลักษณะนี้ไหมคะแทนคําว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะเออเป็นไปพร้อมเพื่อที่จะทําและในสัมปทานพบโ อ, อขออนุญาตจดนะคะ <laughs> เป็นไปพร้อมเพื่อเพื่อที่จะ ทิฏธรรมนะคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในเวลาต่อต่อไปในสัมปริยาพปริยาภพสัมปริยาภพนี่หมไม่ได้หมายถึงว่าชาติหน้านะหมายถึงในเวลาต่ อ, ต, อต่อไปเวลาต่อต่อไปคือคืออย่างที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วว่าพบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณตายจากร่างนี้ไปแล้วก็ไปได้ร่างใหม่อันนั้นก็คือใช่เหมือนกันแต่ว่าพบในที่นี้ยังหมายถึงอาการที่จิตเนี่ย ไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนจุดที่เราไปยึดเกาะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้กับพรุ่งนี้ก็คือพบใหม่แล้วค่ะถ้าเท่ากับว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่สแสวงหาปัญญาและปัญญาเป็นสิ่งที่ควรที่จะสแสวงหาด้วยเพรา ะ, ะปัญญาทำให้เราพ้นจากทุกได้มีจะทุกได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เรื่องการแพทย์เราก็พ้นจากความพ้นจากความทุกข์ที่ทางการแพทย์สามารถแก้ได้ค่ะเรามีความรู้เรื่องทางวิศวกรรม เราก็สามารถพ้นจากความทุกข์ที่ทางวิศวกรรมมันจะแก้ได้ถ้าเรามีความทุกข์เรื่องธรรมะละ่ะเเราก็พ้นจากความทุกข์ที่ธรรมะจะแก้ได้นั่นคือเรื่องความแก่ความตายลักษณะนี้ก็ต้องท่องไว้เลยนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพคะและดิฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็เป็นกระบวนการในการที่จะไปถึงปัญญาที่เรารู้กันมาเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยคิดทบทวนอย่างเป็นระบบว่าอ๋อการคบ กับคนดีก็เหมือนกับว่าเป็นการไปเจอผู้ที่จะนําพาเราไปสู่ปัญญาพูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่พบหาสัพบุรุษเนี่ยสัพบุรุษในที่นี้สมมุติในท่านค่ะเกิดบังเอิญไปอยู่ในที่ที่แหมมองไปไหนมันไม่มีสัพบุรุษเลยอ่ะมันมีแต่อะไรนะคะโมคะบุรุษอย่างเงี้ยอ่าฮะเราทำยังไงอ่ะคะท่านการคบกับสัพบุรุษตรงเนี้ยอ่าไม่ได้หมแบความว่าเราต้องต้องไปพูดคุยหรือพบเป็นตัวตัวอะไรอย่างเงี้ย <G l> เราอาจจะเอาประวัติของเขามาอ่านเอามาศึกษาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราไม่มีทางที่จะพบพระเจ้าเป็นตัวบุคคลได้แล้วนะ <c oughs> แต่เราจะทํำยังไงล่ะเราจะเอาเยังไงดิว่าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นมาเป็นกัลยาณมิตรของเราได้มาเป็นสับปะหลุกของเราได้เราก็เอาสิ่งที่ท่านสอนไว้ไงเพราะงั้นการอ่านคําสอนก็ได้ใช่เพราะงั้นถ้าเรายกตัวอย่างในกรณีอื่นๆเช่นเราต้องการศึกษาเรื่องหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆซึ่งคนคิดคนเขาตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เราก็เอาเรื่องที่เขาเขียนมาอ่าน หรือบุคคลสําคัญเราต้องการศึกษาจากท่านผู้นี้เราก็เอาประวัติของเขามาศึกษากระดาหรือว่าหนังสือที่เขาแต่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากรายการเราเป็นรายการที่เน้นเรื่องของพุทธเจ้ททนะท่านก็จึงสามารถที่จะใช้คําสอนของพระพุทธองค์นั้นแทนแทนค่าของการที่บอกว่าการคบหากับสัพปรุษในโอกาสที่ท่านสภาพแวดล้อมไม่มีสัพุรุษที่ท่านจะไปพบได้เลยได้ใช่แต่ต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องด้วยไหมคะ ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเอะที่เราฟังมาเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่านะคะนะและถ้าหากว่าคุณสมบัติข้อที่สองในการที่จะทําให้เกิดปัญญาเป็นเรื่องของการฟังพระสัจ ธ, ธรรมที่ท่านไพบูรณ์บอกว่าก็เหมือนกับฟังความรู้ต่างๆถ้าเปรียบในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะจช่ะนะคะการฟังความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะถ้าทางธรรมะในรายการนี้ก็คือฟังพุทธวจนะออือแล้วนําไปใคร่ครวญทาในใจโดยแยบไข ทําใจโดยแยบคายโยนิโสมนาสิการม่ได้ยินบ่อยจริงๆ น, น, นะคะโยนิโสมนาสิการแล้วสุดท้ายก็คืออย่าลืมนำเอาไปปฏิบัติด้วยอืสำคัญมากปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมวันนี้ดูเหมือนกับว่าแค่ฟังจบท่านรู้สึกเกิดปัญญาเลยก็ท่านคะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องเอามือทําแต่ว่าการปฏิบัติในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือใช้จิตนะใช้จิตทำํำเพราะฉะนั้นถ้าเราโยนิโสมนาสิการแล้วเราตั้งจิตไว้ถูก ะมีปีติสุขเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละคุณปฏิบัติแล้วค่ะนะคะและนี่ก็คือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะในวันนี้โดยพระภัยบณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนะคะนมันส ก, การขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่ะใช่สุรินพรค่ะท่านฟังที่ครบค่ะสำหรับรายการนี้ อย่างที่เราได้พยายามบอกท่านตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะสันนิษฐานดาเนินรายการโดยสันนิหน้าพงเราต้องการให้ท่านได้เข้าถึงคำสอนของพระาศาสดาแล้วอย่าเสียโอกาสในการที่จะต้องนำไปปฏิบัติ ด, ด้วยท่านมีเวลาที่จะปฏิบัติตลอดเลยนะคะในส่วนตอนท้ายของรายการเราก็มีการที่จะทำให้ท่านได้เหมือนกับได้คบหากับสัพ บ, บุรุษได้เข้าถึง คำสอนที่เป็นพุททวจะนะเป็นพระสูตรรวบรวมเอาไว้40กว่าพระสูตรในหนังสือ9้าย่างอย่างพุทธท่านจะได้ไปศึกษานะครับพระธรรมที่พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อบรินิพพานไปแล้วเนี่ยทำวินัยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระศาสดาให้ท่านได้พบแล้วก็ศึกษาอยู่นิโสมณัสกานนำเอามาปฏิบัติในที่สุดเพื่อปัญญาของท่านทั้งหลาย เช่นเดียวกันกับ MP 3ที่คุณมดได้จัดทามาให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวนไคร่ครวนทําในสิ่งที่ท่านไพรได้นํามมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพูท้ทวจนะรวมถึงการแสดงธรรมในที่ต่างๆด้วยนะคะท่านก็ติดต่อกันเข้ามาที่022690006ส่งคำถามอาไว้ที่นี่ก็ได้และถ้าจะยิงตรงไปที่ท่านไพรือก็พีวรม .com/106 ค่ะสัปดาห์นี้ เราก็คงจะพบกันแต่เพียงเท่านี้สำหรับติชันและท่านนะคะส่วนท่านพิบู์นั้นเสาร์อาทิตย์ท่านทั้งหลายไปฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันนี้เองค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะพุทธสวัสดีค่ะ